บุกทูยี่สิบการสนทนาหนึ่งุทำตัวตามสบายครับสดาลลทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ คุณอยากดื่มอะไรครับคุณชอบดนตรีไหมครับผมบชอบดนตรีคลาสสิก ค, ครับนี่คือซีดีของผมครับ В ุ้ยมาเยคอมคุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับวิ่งไรต์จะในยักษ์มีบุตรมุจฉน์ i n s t r u m e นี่คือกีตาร์ของผมครับ В ุ้ยยกีตาคุณชอบร้องเพลงไหมครับวิ любите с п ป в ยวัคุณมีลูกไหมครับ คุณมีสุนัขไหมครับคุณมีแมวไหมครับนี่คือหนังสือของผ ม, มผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณชอบอ่านอะไรครั บ, บคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับ ค, รคุณชอบไปดูละครไหมครับรคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับ